ฝึกฝนตนเองมีสติถ้า ต, ต้องการจะมีก็มีได้ทันทีการก็ตามไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่เก่ามีสติไปในกายทันทีโตขึ้นดันทีเช้ได้ทันทีไม่เหมือนปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าว การมีสติไปในกายเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอกุศลธรรมที่เป็นบาปไม่เกิดขึ้นอกุศลละธรรมคือความไม่ดีเกิดขึ้นกับกายกับใจสติจะเป็นการป้องกันเหมือนเจ้าถิ่นเหมือนเจ้าของเหมือนกําลังพล ที่ปราบข้าศึกศัตรูได้ทันทียิ่งใหญ่ทันทีเป็นความหลงเกิดขึ้นจากกายจากใจในสติทันทีเหมือ น, นกับกำลังพลปราบข้าศึกให้ความหลงเป็นความรู้อะไรที่ไม่ใช่ตัว เพราะว่าที่ลูกเกิดจาก้าจาดกามีสติเท่านั้นที่ใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่ต้นจนท่ากลาแล้วที่สุดไน่จะเป็นผู้ใหม่ผู้เก่าจะทำอย่างเดียวกันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เรียนเหมือนฝ่ายโลกอัตบ า, านปฐมมัทธยมชั้นอุ ด, ดมไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าผูใ้ใดชำนาญชำนาญในความรู้เกิด อ, อะไรต่างๆเปลี่ยนเป็นปบาบาที่รู้ชำนาญเรียกว่าปฏิบัติธรรมที่เรกอาจจะง่ายที่จะหลงพหลงจ่ได้ก็รู้น่าที่จะสุขจะทุกข์เลย กลจากกาจากใจโดยฉพาความคิดมาให้หลงได้มากกว่ากายกลัวรูปรสจิ่นเฉียงตาหูจะบูกเรื่อนกายใจอันนี้เป็นครั้งคราวแต่ความหมองเกิดจากจิตใจนี่ไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องไปใช่กับความ หลงที่เกิดกับใจได้น อ, อกจากความรู้สึกตัวเราจะมีความเพียรแต่ใจที่จะรู้เสมอตามองมักตรงที่หกความเพียรชอบแล้วก็ต่อไปถึงปัามมีสติ เป็นการโชวขั้นตอนของการที่จะปฏิบัติตัวมีความเพียรเกิดขึ้นป้องกันตั้งหน้มีสติแล้วก็มีองค์ที่เจ็ดจะนับสนุนชวไว้เหมือนทับหน้าทับหลัง ไม่จนง่ายนอกจากองค์มรรคองค์ที่ 7, เจ็ดก็ไม่องค์ที่แปดจุดหมายปลายทางธงชัยก็เกิดขึ้นได้องค์ที่8ปดเป็นธงชัยก้าวถึงที่สุดหมายปลายทางจนไม่มีอะไรที่ต้องไปทำกับมันอีก สิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้มันหมดเป็นมันหมดเป็นไม่ใช่มันอยู่ตนมีภบมีชาติในกายในใจเราเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนรูปเป็นเปลี่ยนเลยที่เกิดกับกายกับใจเป็นรูปเนี่ยด้ือว่ากลุ่มกําเนิดของพบชาติไม่ใช่หลงจนตายทุกข์จนตาย มีปัญหาจนตายไม่ใช่อยู่ที่กายที่ใจ น, นั่นไม่ใช่สมบัติของกายของใจสมบัติของกายของใจคือมรรคผลนิพพานให้ปฏิบัติอย่างนี้ทำได้ทุกคนมีนสติก็มีได้ทุกค น, ท, นทันทีจะดวโขความหลงความหล ง, ม, หลงมีเหตุมีปัจจัย จะมามเกิดหลงได้ดวัตถุที่เกิดแต่งความหลงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรถกินเถียงสัมผัดตาลงเรืมงรู้จักตัวนี่ง่ายกว่านั่นบางทีเ อ, อความหลงมาเป็นประสบการณ์มาได้บทเรียนอยากปั่นได้ประโยชน์ยิ่งเป็นความทุกข์ ถ้าเป็นความทุกข์มีประโยชน์มากทุกข์อะไรก็ไม่แน่เหนียวมากนกับทุกข์ที่เกิดจา ก, กจิตใจเราก็ได้ประโยชน์จากมันมีสติเข้าไปจุดรวมมันอยู่ที่นี่เหมือนกับช่องแคบที่ทางผ่านของอกุศลมงคทางกิตมากกว่าทางกาทางหูจมกูกด้วยกายใจ นีสติเท่านั้นถึกเอาไว้เพื่อให้พร้อมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พองไว้ก่อนหรือว่าเจ้าถิ่นนิสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเอาไว้มีสิทธิม่มีสิทธิก็ใช่สิทธิให้เป็นธรรม ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมเป็นธรรมจริงจริงสัมผัสได้ผู้ปฏิบัติพึ่งพึ่งพึ่งกระทำได้ด้วยตนเองอาธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดใบดีแล้วเปลี่ยนแบิงไม่ได้เป็นการโชว์ตรง ไข่ของพระอาหารหันต์ยอมหลงความไม่หลงนั่นก็เป็นอยู่อย่างนั้นยอมหลงไม่เป็นธรรมเพาะไม่หลงเป็นธรรมตลอดอกุศลทั้งหลายไม่เป็นธรรมเลยมีความเพียรเพื่อละอกุศลที่ยงไม่เกิดไม่เกิดขึ้น มีความเพียรเพื่ อ, อยังกุศลที่เกิดขึ้นให้เจริญมากขึ้นนั่คือสติเมื่อกุศลเจริญมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นจนที่เกิดของศีลหกสมาธิของปัญญาป็นทิเกิดของมรรคผลควางรู้จึกตัวเป็นพื้นฐานของมรรคผล ศ่นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีความรู้จักตัวดูแลกายใจไม่ใช่คาพูดเป็นหลักปฏิบัติมีสติก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลก็กจัดกิเลสความชั่วทั้งหลายตามกำลังของศีลได้ไม่มากมีสมาธิก็กำจัดกิเลสความชั่วทั้งหลายได้มากกว่าศีล มีปัญญาก็กำจัดกิเลสได้มากกว่าเรียกว่าบงเล็บสุดท้ายเรียงเก่าคือปัญญาถึงสวารที่ปัญญาเป็นพลังขับเพื่อนให้เกิดมากเกิดผลเกิดจากสติเป็นพื้นฐานสติก็ไม่ได้เรียนรู้ ได้เลยมีอยู่แล้วเหมอะสมการอยู่ในกายในใจเราเป็นสมบัติของกายของใจอะไรก็ไม่งดงามเหมือนกับมีสติไปในกายสอผัสดตจากคุ้นวายสับสนอะไรต่างๆก็ตามก้ามากาหนด ขู้แขนเข้ารู้สึกเกียร์แขนออกรู้สึกตามต้นฉบับปฏิปฐานที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในเรื่องนี้จากวิธีการหลายๆอย่างที่ทำมาหกปีค้นหาสัจธรรมเพราะมีโจทย์ยกคนก็มีโจทย์เป็นจำเลยของโจทย์ อ, อความเจ็บความตายควมทุกข์หาด้วยวิธีใดก็ไม่เจอจึงมามีสติปายในกายนั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนโดกในวันเพลนเดือนหกดันเกิดเลยขึ้นขณะที่มีสติคู่แขนเข้าเหยียดแขนโดกเงึงนอาลอย มีอะไรมาลกวนมีมารมาลกกว น, น ก, กวนิเลสบานขันธ์ามารมัจจุ ม, มาลเทพบุตรตมมารสังขานมารกิเลสคือสิ่งที่ทำให้เศ้าหมองเคยคิดเคยใช่ชีวิตแบบไหนก็ไปเปื้อนเพื่อนกับเรื่อง น, นั้นเจอกลับมารู้สึกตัวยึดถึงเพียงพา ก็มากู้แขนเข้าอยกแขนนอกโดยอาศัยกรรมาฐานกรรมาฐานเกิดขึ้นที่นั่นคือที่ตั้งแห่งการกระทำตั้งไว้นี่ไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึงเมียเล้วอก่อนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนเคยทาอะไรมาก็ติดตารื ว, ว่าวิญญาณ มิจฉาในขันอุปทานมันจิตไว้ก็กลับมาไม่ใช่มานั่งคิดเวลานี่มาลู่สึดตัวทิ้งมันเลยลู่สึกตัวยิ่ยง ม, มันคิดมันหลงไปที่ใดก็ลู่จึกตัวไปแทนที่ความหลงมาเกิดขึ้นมามีความลู่ไปแทนที่ไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติ จะได้ทุกข์เครื่องเหมือนกับแค่ต่างเป็นจำเลยแค่ต่างเคยทุกข์รู้สึกตัวแค่แล้วพิพากษาแล้วเคยทุกข์เคยโกรธเค ย, ค ย, คยมีกิเลสตันหาพิพากษาแล้วรู้สึกตัวไม่ให้มีที่ตั้งบมกเกินไม่ให้ค่าไม่ที่อาศัย มีความรู้สึกตัวพระเจ้าถิน่นอาศัยกรรมฐานช่วยรอบๆได้อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบของการมานั่งยกมือชาาิจังบะผู้ที่เคยจึนแล้วถ้าผู้เชียงไม่เคยก็อาศัยกรรมฐานนี้เป็นนิมิตเป็นที่เกาะจะให้ความ คิดแจ้ความคิดแก้ความทุกข์หาคบตอบจากความคิดเหมือนแจ้ไม่ได้ก็มีกรรมฐานที่ตั้งทิ้งไว้เนี่ยกับมาลู่ดีก่อนอะไรที่เกิดขึ้นกับมาลู้ก่อนง่ายๆจะเป็นปัญหาครับตอบจากความคิดมันเบื่อมันพุ่งซ้อนมันเลยเกิดขึ้นก็กลับมาหากรรมาฐานหาที่ตั้งเอาไว้ ไม่ใช่ไปทำอะไรทำอะไรทําะไรให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้เครียดเป็นเครียดให้คลุ้งซ่านเป็นคุงคลุ้งซ่านถือว่าเราซะเป็นตัวเป็นต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้กลับมาหาที่ต้องเหมือ น, นกันหมดปฏิปัติก็เหมือนกันหมดไม่ใช่คนละแบบเป็นงลุ้งซ่านก็มี คิดถึงอดีตก็มีคิดถึงอนาคตกังวลในอนาคตก็มีนั่นไม่ใช่ความจริงกลับมาที่ตั้งให้เป็นปัจจุบันจริงมันต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันมันเจี๊ยดได้เปลี่ยนได้ไนั่นไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อดีตแน่นันมันเคยมีความทุกข์ความ โกรธความโลภความหลงความร้อกเกลียวตั้ น, นามีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตไม่ใช่จะไปแก้แบบนั้นมาลู้สึกตัวนี่ปัจจุบันน่มันลู้ได้ในสติโ้ตอบทักท้วงเห็นความหลงความเกิดจากความคิดที่ไม่ตั้งใจมันหยาบคลายที่สุด ที่แรกมันอาจจะด้านกับความคิดนั่งคิดอยู่ได้นั่งทุกข์อยู่ได้นั่งสุขอยู่ได้อยู่กับความสุขความทุกข์อยู่ความหลงความโกรธอยู่ได้แต่พะมีสติมันจะหลุดโหลนไม่ต้องไปอดไปกัน้นโดยกรรมฐานโดยอาศัยกรรมฐานเป็นรูปแบบ เรื่ความโกรธไม่ใช่ไปอดไปกัน้นคนเอาแต่นั้นยังใช่มาได้ถ้ายังอดจังทนยังใช่มาได้ในเรื่องของสติไม่ใช่ไปอดไปทนแบบนั้นเพียงแต่มาอยู่ในกรรมฐานดูสึกตัวจ้ะยกมือพลิกอึงหายใจชื่อตัวขึ้นรู้สึกตัวจะทิ้งท้ายมันเลย เดีดตัวออกมาออกฉากแต่็ น, นโลกมัมีฉากม่พี่หลบรูหลบเป็นปีกรู้เด็กเป็นหางไม่จะไปใส่ใจเรื่องนั้นนะใส่ใจเรื่องก็มาถาน ม, มีสติไปในการแล้วก็รู้ได้อาจจะเคลื่อนไหวมืออาจจะเดินจงกลมอาจจะหายใจเข้าหายใจออก เราจะยืดเนื่อยืดตัววางใบหน้าใบตาบางใบหน้าดีๆมันก็งายให้มันจำนี้จำนานปัญญาตาปริญญาชำนานในการลู้จิกตัวง่ายกว่าที่จะหลงลู้แล้วยาตะปริญญาตัวนี้คือลู้แล้วอะไรก็ผ่านมาทางลู้ทั้งหมด บ่อยที่สุดถ้าเป็นนักรบปวกยิงอาวุธบ่อยที่สุดแม่นที่สุดสุกก็รู้แล้วทุกก็รู้แล้วผิดก็รู้แล้วถูกก็รู้แล้วหลงก็รู้แล้วไว้ด้วยกันเรียกว่าชำนาญเรียกว่ปะดินยาํนานาญในความรู้ ที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับจอยในพัฒนาได้บทเรียนจากมันเหมือนกับคู่ซกคู่ซ่อมเหมือนกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎธรรมชาติการฝึก สติกายในกายนี่ได้บทเรียนมากมายเป็นสูตรบอกทั้งหมดทั้งหมู่อกุศลกุศลรู้ชัดเจนเห็นกุศลเห็นอกุศลห้มกัดโชว์สองอย่างตัวอกุศลคือความหลงความไม่ดีทั้งหลายกุศลคือความดีทั้งหลาย เคินที่งดศลหมวดอโกศลมีสติไม่ปล่อยโกศลในข้างคางในกาในใจไม่มีลอยทันทีนิดหน่อยไปได้พุดคุยถ้ามีสติดีมันจะขุดคุยเป็นงานบาบักโกศล จริงจงไม่ใช่งานอย่างเดินจะมาทางไหนก็รู้เหมือนก็อย่ารักษาโรคย่ารักษาเชื้อโรคเชื้อโรคอยู่ที่หน่อยอยาเข้าไปรักษาอะไรที่เป็นเชื้อโรคโรคโรคนามโรคลูกทุกน้ำทุกโรคหมด รูสมมุติหลามสมมุติเป็นทุกข์เพราะสมมุติเป็นทุกข์เพราะรูปโลกเป็นทุกข์เพราะนามโลกรักษาได้รูปนามโลกก็คือจิตใจไม่สิตใจเศร้าหมองความหลงของมโกดธความทุกข์เห่านี้มันรักษาได้หายหมดเนอะอะโลขยะเป็นผู้ไม่มีโลก น้ำโลคโรคโรคถู ก, กทุกน้ำทุกขุดคุยมากที่สุดสนุกตรงกันพอดีเลยพุทธะเกิดขึ้นเพื่อเรื่องนี้เพื่อการนี้โดยตรงเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นว่าชิ่นพกสิ้นชาติชิ่นพกชิ้นชาติ มีสติเป็นหน้าโลกสติเป็นธรรมวิฎายทำไม่็น่ายนี่เป็นมรรคเป็นผลเ้าะขีณาศกก็มีสติเป็นวมนายมีสติเป็นหน้าโลกรอบโคกเป็นมรรคเป็นผลขีนาโศกคือพระละหันไม่มีอะไรจะทำ นอกจากทุกข์ทรัารเกิดขึ้นมิจะทุกข์ทนตัตงอยู่มิจะทุกข์ท่าัดับไปเมือมันมีทุกข์ดับไปจะทำอะไรอีกไม่มีอะไรทำเรียกว่าพุทธะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในที่มีรูปมีนามนี้คนเลยเป็นพุทธะ ไม่ใช่คนเป็นคนถ้าคนเป็นคนหลงเป็นหลงตัวคนก็เป็นคนทุกเป็นทุกตัวคนเป็นคนถ้าทุกเป็นลู่โกตเป็นลู่หลงเป็นลู่คนเป็นพุทธะเรียเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติถ้าหลงเป็นหลงไปสู่นรกเท่ากับขุนขนโคลถ้าหลงเป็นลู่ไปสู่นรกเท่ากับเขาโคลนิดต่อ นืชาติมันชินได้ไม่เหมือนเก่าพ้นเพราะวะเดิมผู้ที่เจริญจติตไม่ระดับใดระดับหนึ่งปิดอบายภูมิได้แน่นอนเพราะเราเห็นอยู่อบายภูมิเคอลายถ้าจะพูดถึงภูมิของเชื่ อ, อเพลิงจิต า, าสัตว์รัฉานสัตว์นรก ก็คืออะจำพวกนี้เดรัจฉานมันขวงไว้อะไรที่มันขวางไปทางขวงนี่ว่าเดรัจฉานเพิมหลงมันขวงให้เกิดความโลภเพิมโกรธขวงไว้ให้เกิดความไม่โกรธความทุกข์ขวงไว้ให้เกิดความไม่ทุกข์ถ้าอะไรไม่เกิดขึ้นยังไม่หลงไม่โกรธไม่โลภ ไ, ไม่ทุกข์นี่ยไปทางขวงไม่มีสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม อาสุรกายเคยงูงูไม่ฉลาดแม้แต่หลงอยู่ก็ยังงูอยู่โจรธก็ยังงูอยู่ไม่อายยาพลายตื้อด้านหมกงูอยู่ในกับความคิดยิดที่ใดก็เป็นทุกข์คิดก็เป็นการกัดต่อตัวเองไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักออก ว่าสุรการ์เคยงูกไม่ดีดตัวออกมาจนเกิดความเล่าร้อนก็อยู่ในครัของเป็ดตามภูมิของความชั่วตั้งหลายเกิดกับชีวิตของคนนี่สิ่งเหล่านี้มันไม่ยากมันต้องปิดได้ผู้เจริญสตินับรองลายคำชื่อว่าทุกข์ มันเป็นของที่เห็นได้ไม่เปลี่ยนได้จริงจริงชื่อว่าหลงก็เปลี่ยนได้จริงจรงชื่อว่าโกรธก็เปลี่ยนได้จริงจริงไม่ใช่มาอยู่รี่ล้อมลึกซึ้งปัิจจตังสัมผัสได้สัมผัสได้ต่างกันอยู่ในหลงในความไมอหลงนะงินเอาไม่ได้ ไม่ทุกในความไม่ทุกในความรลังเล่สงสัยในความพุ่งสาัานในความงงเองาหอนอนให้บาทิฏฐิมาทังทิฏฐิงานะสำคัญมั่นหมายเป็นตัวเป็นต น, ตปนตไปกับอะไรต่างๆในความอะไรที่มา เ, เกิดกับกากับใจเป็นตัวเป็นตนไปเลทั้งหมด ตัวนี้เป็น ต, ตัวสุดท้ายแล้วน ะ, นะอยู่ในขันธ์ห้าเอทนาก็คือเราสัญญาสังขารวิญญาณคือเราคือตัวเราถ้าเห็นว่าเอทนาสัพเัตนานี่ไม่มีตัวในตนในขันธ์ห้าคือว่าจักรยาทิฏฐิพระเรียบุคคลเันต้นละได้ ไม่สงสัย ใ, ในการปฏิบัติหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องตัดทิ้งใจไปเลยไม่สงสารก็แค่นี้เราจะทำไม่ได้เลยเลยสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นต้นมีกันทุกคนเหือนกันทุกคนนไม่ใช่บริสุทธิร สกายาติติ trucs, เอาเรื่องอาการที่เกิดขึ้นกับตายเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นกับตายเห็นใช่เห็นความร้อนเห็นมันร้อนมานใช่เป็นผู้ร้อนมันหิวเห็นมันหิวว่าเป็นผู้หิวมันเจ็บเป็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บวิธีละสกายาติติคือเห็นตัวเดียวเนี่ย ไม่ใช่เจอหาวัตถุเจ้ของอย่างอื่นพ้อแล้วโลภจริงจะสติเป็นหน้าโลภจริงจรงนะท่้นใดจึงขอให้สถานที่เป็นที่ฝึกอบรมในด้านนี่โดยตรงเดีย๋ยหนึ 2, หน่งวนันสองวันเจดวันพื้สูกันดู เราเป็นเพื่อนเปนมิตรการทำเหมือนกันหลงก็หลงเหมือนกันฉุกก็จุกเหวนการทุกข์ก็ทุกข์เหมนการผิดก็ผิดเหมือนการแต่เวลาเราผิดเราจะทำให้ไม่ผิดก็ทำเหมือนกันฝึกตนสอนตนเอามันมาให้ปึกความหลงมให้ปึกให้ก่ดความรูก อยาให้ผิดเป็นผิดเห็นมันผิดอยาให้ถูกเป็นถู ก, ถกหเห็นมันถูกอยากให้ความผู้สั้นเป็นความผู้สั้นเห็นมันผูงสั้นอยาให้ความสงบเป็นความสงบเห็นมันสงบอย่าไปเปิดอเปื่อยกับเกียร์ใดสติไม่เปิดเปื่อนกับเกียรใดเพราะว่ารูรูเนี่ยเป็นเป็นพรหมวิจารเป็นพรหมวิจารนะรู้สึกตัวรู้จึกตัวเนี่ยคือพรหมวิจารไม่เปิดเปื่อน บอดีสุด ห, หลงเป็นหลงเปื่เพื่อนกับความหลงสุข ก, ก็เปื่อเพื่อนความสุขทุกข์ก็เปื่อเพื่อนกับความทุกข์ลู่เนี่ยเป็นธรรมจัก น, นี่คือการปฏิบัติเป็นการสัมผัสได้ได้ลทเรียนจากกายจากใจมากมายเจริญสรุปได้ว่า จิงใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เป็นกับมันมิตวเห็นไม่เป็นจะมีมากขนาดไหนไมิตรเห็นไม่เป็นกับมันไดียว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายจะให้ข้ามันเป็นอาการมาใช่ตัวช่อตนเลยขอบคุณมันหลงกัดมันเจ็บปัาการของกาย พิจัยจิตใจมันคิดโน้นคิดนี้เป็นอาการที่เกิดขึบใจครับเป็นอาการเฉยๆคนไม่ตายต้องมีอาการเราเกิดขึ้นเก็บแค่ริ้วปวดเป็นอาการที่เกิดขึ้นอาการจับใจไม่ฆ่าเป็นอาการไม่ฆ่าเป็นสุขไม่ฆ่าเป็นทุกข์ฆ่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันมีตัวมีตน ทุกมันจะอยู่ในกายทุกจะอยู่ในใจไม่เป็นอาการเท่าไม่เตินขับมันจุดหมายปลาทางอยู่ที่นี่รัดรับมาอย่างนี้ปฏิบัติทำอย่าเนิ่นช้าเกินไปไวๆสักหน่อยเล้วทำเด่นๆมันจดด้านด้านในความหลงด้านในความ ด้านในอาการต่างๆมากมายอาการที่เกิดขึ้นกับกายเป็นคนน้านเป็นคนเป็นเไปจำมันสศกเป็นกทุกข์นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงรักเป็นรักเสียดชังเป็นเสียชังมันจะด้านอยู่เช่นนั้นจนตายให้เป็นผู้ที่จัดเจนฑลอบพ่อแม่ยอม ฝึกตนโฉนตนประมาทไม่ได้ในะความหลงประมาทไม่ได้ในะความสุขประมาทไม่ได้ในะความผิดความถูกความทุกข์เป็นความรู้ธรงมะมันจะลัดอะไรที่เกิดขึ้นในวันละถามปวงโมโหห อ, อนคนมาเลือสงสยัยความพุทคิดผูกชาดอย่าประมาทธรรมะสลัดออกมารู้จักตัว ถ้ามันเอาแรงเอากับมันอะไรเมืนสลัดเหมืนปัดออกแล้วนั่นจึงถ้าเราไม่ปรหัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากกับใจมันจะรัดที่สุดแล้วอาจะหลงชังกเจ็ดรอกเหมือนพระสสดาบันผู้มีภพเกียดพบภเกียดชาติ เจ๋งนั้นพระนาคามีมีม พ, พบคนเดียวมีพบเดี่ยวเราอยู่ในฐานะแบบไหนเรื่องที่ทำให้ทุกมีกี่ข้างคิดกันมาเป็นทุกเป็นทุกความคิดมีกี่โลกเฉีนโลกอสุงขัโลก มันจะมีค่าอะไรชีวิตของเราเนะี่ยให้โกอดองได้ให้โกดให้ใครจีอสงไข่รอบแล้วสี่ข้างแล้วช้ใจแค่หน่อยเพื่อจะรีบด่วนตลัดตันทีรู้สึกตัวทันทีเรามีกรรมฐานแล้วเอาเลยอาจจะเป็นพระนาคามี่อรอบสุดท้ายดกกดตาย กระโดดได้ไกลถ้าตั้งใจดีๆในความเพียรมีความร อ, อบครอบกระโดดได้ไกลถึงสุดยอดเลยก็ได้เหมือนพระอนาคามีผู้มีรอกเป็นเดียวจนหมดเกี้ยงไม่เหลือจะเป็นพระอาหารได้อรหารคืเคยผู้ไกลจากข้าศึกไม่มีข้าศึก ไม่เหมือนอาหารที่มีลิธิปที่ปฏิหัวนั่นเอง